เราไม่รู้เป็นอะไรเนื่องจากจะกลับไปหาเขาเลือเกินเป็นห่วงเขาไปหมดกลัวว่าเขายังไม่ได้กินอะไรไม่มีใครหาข้าวให้เขากินเขาอาจจะหิวรอเรากลับไปกินพร้อมกันเหมือนที่ผ่านมาเขารอเราทั้งทัง ท, งที่เขาก็หิวโซ่พอเรากลับไปนั่งกินข้าวด้วยกันเขาก็กินเอากินเอาแล้วก็อดําไม่ได้แต่ว่าบางทีก็หมั่นไส้ทเหมือนกัน ก็คำพูดของเขาควรภาษาจริงๆนี่นาแต่ว่าพอห่างๆเขาเราก็กลับเป็นหวงเขาที่อย่างนั้นแหละตอนอยู่ใกล้กันกลับชวนทะเลาะอยู่เรื่อยตอนนี้ก็าเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้สิรีบเดินดีกว่าไม่รอใครแล้วล่ะนี่ศิลาอะไรอ่ะ เธอเป็นอะไรไปอ่ะฮะเปล่าฉันไม่ไดเป็นอะไรสักหน่อยแน่ใจเหรอว่าไม่เป็นอะไรนะ่ะก็แน่ใจอสิแต่ฉันไม่เชื่อไม่เชื่อก็ตามใจเธอสินี่ศิลาฉันรู้นะที่เธอลุกลี้ลุกหลนพอได้เวลากลับบ้านเธอก็รีบจำอาจำอา้าวทำไมไม่มีอะไรเลยแต่ฉันว่ามีนะมีอะไรเล่าเธอรีบร้อนกลับไปหายน่มบางกอกนั่นใช่ไหมล่ะเปล่าสักหน่อยปากบอกว่าเปล่า แต่การกระทําของเธอมันฟ้องชัดๆนะศีลาเธออย่าเดาส่งเดชไปหน่อยเลยนะฉันไม่ได้เดาส่งเดชนะเ้อมีท่าทางอย่างนั้นจริงๆนะไม่จริงอ่ะจริงไม่จริงจริงจริริริงจโอ้จะถียงกันทําไมเราฮะทําไมพี่สูเวเป็นเดือดเป็นแค้นอะไรด้วยล่ะเขาไม่ได้เป็นเดือดเป็นแค้นอะไรทั้งนั้นน่ะเองเลนะอย่ามาปลักปลําขหน่อยเลยนะฉันไม่ได้ปลักปลาพี่สักหน่อยพี่สูเวก็เหมือนกันนั่นแหละทําไมโธเอ้ยฮะ พี่สูเวใจร้อนรนทำอะไรไม่ถูกเห็นศีลารีบร้อนกลับบ้านใช่ไหมละ่ะพอทำอะไรไม่ได้ก็เลยมาพานใส่ฉันก็เปล่านะเปล่าอะไรเห็นเห็นอยู่นี่นาเห็นอะไรก็นี่ไงฉันเห็นพี่สูเวหัวใจจะสลายให้ได้พอเห็นศีลาเป็นห่วงหนุ่มบางกอกนั่นน่ะรักศีลามากแล้วทำไมพี่ไม่ผิดผีเจ้าสีลาซะเลยละ่ะบุเกะ เอ็งพูดแล้วมาฮะก็พูดความจริงยังไงเองเ็อย่ามายั่วนะฉันไม่ได้ยัว่วมันเป็นเรื่องจริงฮใครยังไม่ได้พูดอะไรเลยศีลาเองก็ไม่ได้พูดอะไรเหมือนกันเร่งเอาอะไรมาพูดแล้วทำไมถึงคิดว่าที่เอ็งพูดเป็นเรื่องจริงอ้าวก็ฉันในแววตาดีนี่นะอย่าเลยบุเกยอย่างเอ็งน่นนะมันพวกตาหามีแววไม่อ้าวพี่สุเว เรื่องอะไรมาว่ากันอย่างนี้อ้าพูดเรื่องจริงเช<ะ>ื่ออะไรพี่ซูเวนั่นแหละมีตาหามีแววไหมไม่เช่นนั้นสักหน่อยข้ามีตาหามีแววไหมเหรอก็พี่น่ะรู้ดีแก่ใจตัวเองแล้วอะ่ะว่าสิ่งที่พี่ซูเวคิดแล้วก็อยากจะให้มันเป็นความจริงนั่นอะ่ะมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนี่พูดถึงเรื่องอะไรวะเรื่องอะไรอ่ะเหรอพี่น่ะรู้แก่ใจตัวเองอยู่แล้วนะข้าไม่รู้อะไรทั้งนั้นน่ะโถเอ้ยอย่าพูดดีกว่าเออไม่พูดมันต้องพูดนี่ พี่ไม่รู้เรื่องไงว่าศีลาเขาคิดยังไงกับหนุ่มบางกอกนั่นน่ะเอ็งจะบ้าหรือไงบุเก้จะไม่ได้บ้านะเอ็งนั่นแหละบ้าพวกเขาไม่มีอะไรกันศีลาเป็นห่วงคุณเทพเพราะว่าคุณเทพยังเจ็บอยู่ศีลาในฐานะเจ้าของบ้านก็ต้องดูแลแคร์ให้เป็นอย่างดีมันก็เท่านั้นน่ะเลอะพี่คิดว่ามันแค่นั้นจริงๆหรอใช่ตอแหลชัดช้อ็นี่ดีโทเอ็งนี่ก็มันจริงไม่เล่า เนี่ยด่าข้าเลยจริงไหมล่ะพี่ตอแหลอืมเอ็งเงียบเงียบไปเลยไปไปไปมันรู้จะพูดดีกว่าเออเกิดวันนึงไอ้หนุ่มบางกอกนั่นขอศีลาแต่งงานพี่จะรู้สึกทําไมข้าต้องรู้สึกถ้าข้ารู้สึกข้าก็จะบอกว่าข้ารู้สึกดีเหลือเกินที่น้องสาวข้าเลือกได้ผู้ชายที่ดีถูกแล้วต่างหากละ่ะเหรอถูกต้องทําไม ตั้งนั้นฉันจะภาวนาให้พระเจ้าช่วยภาวนาให้พระเจ้าช่วยให้พระเจ้าช่วยให้พวกเขาอสมหวังเร็วๆไงละ่ะบุเคดีหัหยล่ะพี่สุเวเองก็เหมือนกันช่วยภาวนาด้วยละ่ะพวกเขาแต่งงานกันเร็วเท่าไหร่ก็จะดีเท่านั้นพี่สุเวก็จะได้มีความสุขสัทีไม่ต้องคอยห่วงศีลาถูกต้องไหมเออนะมันไซนักเชียวพีพสุเวเนี่ย คนปากกับใจไม่ตรงกันปากบอกว่าดีใจถ้าศีลาแต่งงานกับหนุ่มบางกอกนั่นแต่ในใจของพี่เขานี่สิไม่ได้ดีใจด้วยแน่นอนเพลิดเพออาจจะชอบช้าจนกระอักเลือดแล้วก็ได้เห็นพวกเขาทำอะไรด้วยกันบนเรือนเห็นตำต า, ต า, ต า, ตาอย่างนั้นน่ะไม่ช้ำใจจะทนไหวเหรอคอยดูสิถ้าพวกเขาลงเอยกันได้จริงๆอยากจะรู้นักว่าพี่สุเวทจะทำยังไง หวังว่าคุณจะไม่ช้ำใจจนค่าตัวตายคุณกำลังติดตามรับฟังรายการละครวิทยุแม่เสเรียงที่รับนำเสนอโดย Nation Entertainment อกมือลาเสียงเพลงควรมาต้องลาและเพื่อนคี่ปีจะลืม อาจวางสายทางเทียนทำได้ความหวังยังคลิมพรายเก่าตายมีไม่เรินชีวิตที่ผ่านพบมีลบยังมีเพิ่งขอเพียงให้เหมือนเดิมกำลังใจ Yeah. นนหลลให้รักเราละลายเล็บใจในพวงคนผู้ทุกคนตลอดกาให้รักเราละลายแต่ใจในพองคนผู้ทุกทนตลอดกาให้รักเราละลาย Ooh, ooh, ฉันก็คงจะไปได้เพีย e d ค่ครึ่งทา n ในวันที่ฉันได้จับมือของเธอ 假装。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 ก็ชีวิตชนยังว่า Bye. รับฟังรายการละครวิทยุแม่สเสียงที่รักนำเสนอโดย Nation Entertainment หิวข้าวหรือห่วงใครที่รออยู่ที่บ้านกันแน่ทำไมต้องห่วงด้วยละ่ะใครจะไปรู้ใจเธอละสีลาไม่มีอะไรทั้งนั้นน่ะแน่ใจแน่ใจสิขอให้จริงเหอะจริงแทนแน่นอนอยู่แล้วจ้าถ้าอย่างนั้นน่ะไม่ต้องรีบก็ได้เดี๋ยวหกล้มขาแพลงมันจะยุ่งนะถ้าหิวจริงๆแล้วก็เอาขนมของฉันกินไมลไมล่ะนี่เอาฉันหิวข้าวไม่ได้หิวหนมสักหน่อยก็กินรองท้องไปก่อนไงเรา เธอเองก็จะได้ไม่ต้องรีบจำอ้าวจำอ้าวแบบนี้ไงไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็ถึงบ้านแล้วสีลาอะไรจ้าพี่จะ่าไปฟังเสียงนกเสียงกามาเลยเอ๊ะพี่สูเวเนี่ยยังไงนะเรื่องอะไรมาว่าฉันแบบนี้มันจริงนี่นาะไม่พูดด้วยแล้ววิ่งไปหาศีลาดีกว่าแน่จริงก็อย่าหนีสิไม่แน่จริงนี่ว่าประตูเอ้ย แกจะหนอนน่องออกตาขนาดนั้นหรกนะหิวใช่ไหมล่ะนี่ไม่ต้องเลยนะต้องให้นายกินอิ่มก่อนแล้วแกค่อยได้กินอะรอเดียเ๋ยวพ่อไอ้หลีกไปสิไอ้ด่างอีนี่เดินตามฉันทําไมมาคลอเคลียที่ขายฉันทําไมอะฮะให้ฉันล้างเท้าก่อนสิฉันจะขึ้นไปหาค้าวปลาให้คุณเทพกินก่อนอบอกให้หลีกทางฉันจะล้างเท้าไอ้ไอ้ด่างนี่ยังไงนะอ๋อนางเอ้กลับมาแล้วลูกจะพ่อ อ๋อพ่อจ๊ะคุณเทพเขากินข้าวหรือยังฉันรีบกลับมาเนี่ยเผื่อเขาว่ายังไม่ได้กินข้าวฉันจะยำเห็ดปลายเขากินนะจ๊ะโอ้ยไม่ต้องทำอะไรแล้วล่ะทาไมเลยจ๊ะพ่อก็พ่อหนุ่มเทพคนนั้นนีเขาคุณเทพเขาทำไมเหรอจ๊ะพ่อเขาเขาอำเภอไปกับหมอแล้วลูกว่าไงนะ ในที่สุดเขาก็ไปจากเราเขาพูดให้เราฟังอยู่ตลอดเวลาว่าที่น่สุกก็ปรกโศกโกรกไม่น่ายอยู่เหมือนรังหนูยังไงอย่างนั้นเขาคงจะเป็นลูกเศรษฐีเคยอยู่อย่างสุขสบายมีคนคอยรับใช้ตลอดเวลามาอยู่อย่างนี้ก็เลยทนอยู่ไม่ได้ภาวนาให้ตัวเองหายเร็วๆจะได้ไปจากที่นี่สักทีหนึ่งคงสมใจนึกเาแล้วสิเขาดีขึ้นแล้วเขาไปไหนามาไหนหได้แล้ว และแล้วก็วจะจากเราไปไปจัดดอยแม่เสเรียงไปจากความทรงจำทุกอย่างแล้วเราล่ะเราจะเก็บความทรงจำนี้ไว้ดีไหมมันมีค่าพอที่เราควรจะบันทึกเอาไว้หรือเปล่านคนบ้าคนผีทะเลอย่าอยู่ก็โผล่มาแล้วอยู่ก็มาหายไปเหมือนผีซาตานไม่ผิดคนใจร้าย ไฟตัวเปล่ายังไม่พอยังแถมก็ม้วนหัวใจของเราไปด้วยแล้วทีเนี้เราจะอยู่ได้ยังไงล่ะเรอจะทำยังไงดี หรือเปล่าไปเล่าจ้ะแน่ใจนะว่าไม่เป็นอะไรอ่ะไม่จ้ะอ๋อไม่เป็นอะไรก็คืนมากินข่าวสิลูกพอกินไปก่อนเถอะอ้าวแล้วเองล่ะฮะฉันยับไม่หิวเลยอ่ะเดี๋เดี๋ยวดีนั่นเอ็งจะไปไหนล่ะอยากจะไปเดินเล่นสักหน่อยจ้ะพอกินข้าวไปก่อนนะไม่ต้องห่วงใชนหรืนางศรีลา สีลาจะไปไหนอะสีลาสีลาจะไปไหนแล้วนะั่นอะไหนว่าหิวข้าวไงล่ะอะไรของเขาเนอะตามไปสิพิสุเวยุ่งเอ๊ะพิสุเวเรื่องอะไรมาว่าฉันล่ะเจงเนี่มันตัวยุ่งจริงเลยจะบ้าหรือไงที่ฉันพูดน่ะก็เพราะฉันเข้าใจทุกคนต่างหากล่ะอยากจะช่วยทุกคนไม่ต้องเลยไม่ต้องอะไรไม่ต้องช่วยใครทั้งนั้นเอาเรื่องตัวเองให้รอดก่อนเถอะ พี่สูเวเนี่ยยังไงกันนะเอไม่ต้องมาจ้องค่านะเรื่องของตัวเองยังเอาไม่รอดแส่เรื่องคน อ, อื่นคขาดีนะักไม่เห็นจะเข้าท่าตรงไหนเลยมันจะมากไปแล้วนะพี่สูเวทำไมงจะทำไมโอ้ยไม่สนใจแล้วเตือนไม่เชื่อก็ตามใจกลับบ้านดีกว่า<ะ>เบื่อเบื่เบเบ่เบืบ้าดีที่แท้เลยคุณได้รับข้อคิดอะไรบ้างจากการรับฟังละครที่จบไปแล้วนี้